สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99สวัสดีครับคุณอ้อยค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอ้อยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนที่เชียงใหมค่ค่ะอยู่สารพีคะ่ะอยู่ที่สารพีเชียงใหม่น ะ, ค, ะ, นะ ค, คุณอ้อยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยค่ะแต่ว่าหนูฟังรายการทุกอาทิตย์เลยขอบคุณมากๆาเลยดด้วยเอออันนี้เป็นการคุยการครั้งแรกระหว่างเราใช่ค่ะออคุยกันครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะออแต่เล่าได้ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นมากนะสบายสบายเลยได้ค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ที่คุณออยเนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาจากครูฝึกสอนในสมัยเรียนมัธยม ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครูท่านเล่าให้ฟังว่ายังไงเรื่องนี้เรื่องช่วยด้วยเชิญเลยครับคุณออยคือก่อนอื่นหนูต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูฝึกสอนเคยเล่าให้ฟังตอนที่หนูเรียนมปลายเนา ะ, ะมันเกิดขึ้นนานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะขอร้องว่าสถานที่ที่หนูจะเล่ามันเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเนา ะ, คะใครใครที่รู้จากก็อยากได้บอกใต้หรือว่า บอกชื่อสถานที่เลยนะคะว่ามันเสียงมากๆใช่ใช่ใช่มาเรื่องราวเป็นยังไงอ๋อเรื่องมันมียว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งค่ะเขาเป็นแฟนกันคือเขาหลักกันมาก่อนแล้วทั้งคู่ก็หน้าตาดีทั้งคู่เลยค่ะเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะสอบได้ที่เดียวกันแต่ว่าเขาอ่ะเรียนคนละคณะ เออขอสมมุติชื่อผู้ชายว่าชื่อพี่เอละกันนะคะครตวนผู้หญิงชื่อพี่บีละกันอืมคือถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะได้เรียนคนละคณะนะแต่ว่าพี่เอกับพี่บีเนี่ยก็ยังคบกันอยู่ยังมีเวลาให้กันอยู่ตลอดยังรักกันดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่พวกเขาสองคนเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะครับก็เลยเป็นคู่ที่ดังในมหลาลัยพอสมควรอืมมีคนมาจีบอะคะ่ะ คนข้างเยอะแต่เขาก็แบบซักเดีเยวใจเดียวอะไรเงี้ยค่ ะ, คะมหาวิท ย, ทยาลัยนี้เขาจะให้เด็กปีหนึ่งทุกคนอยู่หอในนะค ะ, คะพี่เอเขาก็จะอยู่หอในเหมือนกันเป็นหอชายล้วนส่วนพี่บก็เป็นหอหญิงล้วนแต่ก็เป็นมหาสู่กันได้ปกติแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงพี่บีอะค่ะเขาได้รับกฎหมายจากพี่เอว่า ให้ไปเจอกันที่อ่างเก็บน้ำํำจริงๆอ่างนี้มีชื่อแต่แต่ไม่ขอเอย่ยนะคะคือพี่บีเขาได้รับจดหมายโดยพี่เอว่าให้ไปเจอกันตรงอ่างเก็บ น, น้ํานี้ของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยตอนเที่ยงคืนสมัยนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าพี่บีเองก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมพี่เอเขาไม่โทรหาเสียเวลาส่งจดหมายมาทําไม แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ก็คิดว่าเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้มั้งก็เลยไปตามที่นั้นแต่ค่ะพี่บีเขาไปตามที่นั้นหลังจากนั้นมาพี่บีก็หายไปเลยส่วนคนอื่นๆเช่นอย่างเช่นเพื่อนพี่บีอะไรก็ได้แต่สงสัยนะคะเดี๋ยวๆดี๋เดี๋เดี๋ยวดี๋ยเ๋ยดีดีดีเนยนออยนะครับหมายถึงว่าตัวของ ผู้หญิงเนี่ยเขาได้รับจดหมายแล้วก็ไปตามนัดปรากฏว่าไม่เจอเหรอคือก็ก็เจอค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นพี่ดีเขาก็หายไปหลายวันเลยคือเพื่อนเขาไม่เจอตัวเขาเลยคือไปเจอกันที่อ่างเก็บน้ำตามที่นัดหมายที่นัดอ่ะค่ะอ่าอ่าอ่าครับอืมแล้วเพื่อนเขาก็ไม่เจอเลยคือคนก็ได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะ พี่เอกับพี่ B ีเนี่ยเขาหายไปไหนคู่รักคนดังของมหาลัยเนี่ยเขาหายไปไหนอย่างนี้นะคะจนกระทั่งหลายวันผ่านไปก็นิสิตนักศึกษาครูอาจารย์เขาก็เริ่มเริ่มรู้สึกแพปลงใจว่าเอ๊ะทำไมน้ำที่ใช้เนี่ยมันกลิ่นแปลกๆนะทำไมมันเหม็นๆน่ะก็เลยเริ่มมีการให้ช่างเนี่ยไปดูที่อ่างเก็บน้าแห่งนั้นนะคะ ก็ขอเล่าก่อนนะคะว่าอ่างเก็บน้ำ ม, มีค่อนข้างใหญ่เป็นแหล่งน้ำของมหาวิทยายลัยที่ใช้กันทั่วเลยะคะ่ะ <ข studying, S 2> ทั้งกินทั้งอาบปุูกพวกผลโม้ในสมัยนั้นอะพอพอมันเหม็นนะคะคนก็เดือดร้อนกันแต่ช่างไ ป, ไปดูรอบแรกไม่มีอะไรคะ่ะคิดว่าคงแค่น้ำสกปกก็เลยทำความสะอาดให้ปกติแต่ว่ามันก็ยังไม่หายเหม็นนะคะ ก็เลยให้ช่างมาดูอีกทีช่างก็เลยเอ๊ะเศรษฐกิจถ้าทำไมมันไม่หายาก็ลงไปดูตรงท่อระบายว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคือท่อมันจะมีทั้งหมดสี่ท่อนะคะเป็นท่อปูนก็ลงไปตรวจสอบลำบากนะนิดนึงจนจนเขาเจออะค่ะคือเจอเป็นกระสอบถูกลับ ด, ด้านบนด้วยผมของผู้หญิงนะคะคือแบบ มันทมผู้หญิงยาวๆอะค่ะแล้วเวลาเราตัดตัดรวบเดียวแล้วก็มัดอย่างนี้ใช่ค่ะมัดรวบรวบบนกระสอบนะคะเขาก็เอามาเปิดดูกลายเป็นศพเลยเละเลยคะ่ะเป็นศพแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะแต่เขาปิดข่าวตำรวจก็ามาจาัด ก, การเรื่องนี้แล้วก็มีการเอาไปชนะสูตอะไรเรียบร้อย ก็คือศพนั้นเป็นผู้หญิงอืมเขาก็เดินเรื่องจนจับผู้รายได้นะคะคผู้ร้ายก็ให้การสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้เองด้วยวิธีการบีบคอแล้วก็ทํายังไงอีกหนูก็ไม่ได้ใจอคะ่ะครั บ, รบจนผู้หญิงเขาตายแล้วก็เขาก็ทําการอภาิศพด้วยการยงงงานลงนาำเนี่ยเละคะ่ะ ค, คือย้อนไปตอนที่หนูว่าว่าพี่ ด, ดีได้รับจดหมายจากพี่เออนะือะ แต่ตอนนั้น่ะคนที่เขียนจดหมายอ่ะไม่ใช่พี่เอค่ะพอพี่บีไปถึงเนี่ยปรากฏว่าคนที่เจอไม่ใช่พี่เอที่เป็นแฟนตัวเองแต่เป็นมเมทของพี่เอค่ะครับคือเขียนจดหมายปลอมตัวเป็นของพี่เอเป็นตัวของพี่เอใช่อ่ะสมมติชื่อพี่คะว่าพี่จีนะคะครับคือเท้าความก่อนว่าพี่จีเนี่ยเป็นมเมท ลุงเมข้อพี่เอที่ดีมากๆคือทําทุกอย่างให้พี่เออะค่ะ<ม>พี่เอที่เป็นผู้ชายนะคะรัะกผ้าทบข้าวทาความสะอาดทําให้พี่เอทุกอย่างเลยคือพี่เอก็แบบลุงเมคนนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกัน ค, คือในถอพี่จีเนี่ยเป็นหอชายล้วนนะคะคือว่าพี่จีเขาก็ทําแบบนี้ให้ตลอดอะคะ่ะพี่เอก็เอรักเพื่อนคนนี้เหมือนอเป็นเพื่อนคนหนึ่ง แต่ว่าพี่จีเขาทําแบบนี้นให้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยชอบพี่เอค่ะอืมแล้วเขาก็รู้ว่าพี่เอมีแฟนอแล้วก็สอคนนี้เขาท่าจะมลักกันที่ปี๋ยคนโดยบางแผนฟอร์มเปิดหอือใช้ชื่อพี่เอเดากนัดพี่ดีมาเจอตอนเที่ยงคืน <cha> คือนัดฝส่หญิงนะคะอมาเจอว่าสมมุติตัวเองว่าเป็นแฟนอย่าเงี้พี่เอ แล้วพอไปเจอกันปุ๊บพี่ดีก็อ่ะไม่ใช่แฟนเขาอีกแต่เป็พี่ลูมกับอีกคนนึงพี่ซีเนี่ยขอให้พี่ดีเลิกกับพี่เอคือคนเขาเป็นแฟนกันนะแต่ขอเลอกกันแล้วก็แปลกแปลกแต่พี่ดีเขาเขาบอกว่าทำไมต้องเสียงเสียงเสียงอมอ๋อจ๋าเสียงเสียงเริ่มเบาค่ะอืมคือคือพี่ดีเขาก็ไม่ยอมอ่ะว่าทําไมต้องเลิกกันค ก็เลยมีตักมีเสียงกันจนที่ดีต้องเผอทั้งมือลงมือค่าที่ดีอย่างอ้ออ๋อหนูจำได้ละค่ะตอนนั้นที่ดีเขาพกนีดไปด้วยครับครับน่าจะใช้วิธีแบบแทงนะค่ะแทงหลายแผลเลยครับแล้วก็เอาศพของพี่ดีนแบบยัดกระสอบครับตัดผมที่ดีมัดมัดบนกระสอบนะคะแล้วทิ้งลงอ่างเก็บน้ำไปครั ซึ่งช่วงนั้นที่ที่หนูบอกว่าพี่เอเขาก็หายไปเหมือนกันที่ว่าเพื่อนสงใจนะคะคาดว่าพี่เขาก็คงพยายามที่จะตามหาพี่บีค่ะเพราะเขารักกันมากพอคนหนึ่งหายไปก็ไม่เป็นอันทาอะไรเลยก็ตามหาแล้วเขาก็มารู้ตอนที่ตำรวจจับคนร้ายได้นี่เลยคะ่ะพอพี่เอรู้ จากพี่จีสา ร, รภาพาเขาก็เสียใจมากคือเสียสติไปเลยค่ะหลังจากนั้นพี่เอเขาก็ไปบวชส่วนพี่จีเขาก็ใช้กรมตามกฎหมายนะคะอืออันนี้ออืเสริ ม, อ, มอีกนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะเจอศพอะค่ะคเหมือนเพื่อนเพื่อนของพี่เบีะค่ะเขาฝันว่าเห็นพี่เบียค่ะยืนตร่งอ่างเก็บน้ําแล้วบอกเพื่อนว่าช่วยเขาหน่อยอเขาหนาว ใช่ค่ะเขาสันงใหเสียงเสียงน้องออยเบาเบาค่ะเบามากเลยตอนเนี้ยเอาแบบตอนแรกได้ไหมอืมค่ะได้ยินแฉไหมค่ะครับค่ะเพื่อนพี่บีเขาฝวังว่าเห็นพี่บียืนตรงอ่างเก็บน้ําครับแล้วก็บอกว่าช่วยเขาหน่อยเขาหนาวมากแต่เพื่อนพี่บีเขาก็คิดว่ามันคงเป็นแค่ฝันคือไม่คิดว่าพี่บีเขาจะอยู่ตรงนั้นจริง แต่แตงโมคิดว่ามันมันปาดึงใจตรงที่นักศึกษาในสมัยนั้นค่ะคือใช้น้ําแช่ตกกินน้ําแช่ศพมาตั้งหลายวันเลยครับครับอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าเป็นตํานานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ค่ะ แ, <ต>แต่บอกไม่ได้ว่าที่ไหนถ้าบอกคือดีไ ม, ไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกคือต้องบอกว่าทุกทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่า นะครับมีตำนานอะไรแบบเนี้ยส่วนมันจะจริงไม่จริงอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเออนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงครับนะคะข้อมีแถมอีกสักเรื่องอนึงได้ไหมอ่ามันยาวไหมอ่ะแต่เสียงน้องออยเบา ม, มากอะค่ะอ๋อค่ะ อันนี้ได้ยินชัดไหมคะอา่าประมาณนี้กําลังดีแต่พอน้องออยเล่าไปเรื่อยๆแล้วน้องน้องออยจะเบาอ่ะอ๋อค่ะครับอ่าแข็นได้เนา ะ, ะอ่าอ่าอ่ามาคือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ม ห, <า>หาวิทยลาลัยเดียวกันนะคะอืมอืแต่เกิดขึ้นที่หอในเป็นห อ, หอพักหญิงคือในสมัยนั้นหอพักเขาจะใช้เตียงสองชั้นนะคะ เจอโครงทิศภาพออกนะคะแล้วมีนักศึกษาหญิงสี่คนพักด้วยกันหนึ่งห้องแต่ว่าช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมคือผู้หญิงสามคนอะ่ะเขาก็กลับบ้านกันค่ะส่วนมวากเขาจะกลับไปป่าดังหวัดไปเยี่ยมบ้านกันตอนปิดเทอมนะคะแต่ว่ามันมีมีอยู่คนหนึ่งที่เขาแบบว่าเขากลับบ้านไม่ได้เพราะตัวรถตีม ช่วนั้นเขาก็เลยกลับบ้านไม่ได้เขาก็เขาก็เลยนอนหอคนเดียวคืนหนึ่งแบบว่าเออผู้มี้ห้อยไปรักกันอะไรอย่างเงี้เนาะหนอขอสมมติว่าพี่คนนั้นเขาชื่อพี่ส้มลักกันนะคะที่นอนหอคนเดียวคืนนั้นเมษสามคนเขากลับบ้านหมดพี่ส้มก็เลยต้องนอนคนเดียวแต่ด้วยความที่เตียงอ่ะมันเป็นสองชั้นพี่ส้มนอนชั้นล่างค่ะอืตัวนี้ชั้นสองก็ต้อง ก็ต้องขึ้นบันไดไปนอนอะ่ะพอพอพี่เขานอนเขาก็หลับหลับไปสักพักเขาได้ยินเสียงเคาะประตูค่ะแล้วเคาะประตูก็๊อกก๊อกนี่ยะเขา่อไหรเอ๊ะเมย์คนใดคนหนึ่งต้องกลับมาแน่เลยพี่ส้มเขาก็ไม่สนใจก็หลับไปออืแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเรื่อยๆที่ส้มก็เลยลุกเดินไปเปิดประตูออืแล้วก็จะด่าเพื่อนเหมือนกันว่า ทำไมไม่ขายุณแจเข้ามาเองแต่พอเปิดไปบุ๊คมันว่างเปล่ามันไม่มีใครเลยออพี่สมก็ปิดประตูแล้วมานอนต่ออ่าได้ยินเสียงเปิดประตูอืแล้วก็มีเสียงคนเดินเข้ามาเสียงอาบน้ําอแล้วก็มีคนปีนขึ้นเตียงชั้นสองไปแต่พี่สมเขาไม่ได้ลืมตามองนะคะออืเขาแค่ได้ยินเสียงค่ะแล้วเตียงชั้นสองอะคะ่ะ เวลาเรานอนข้างล่างแล้วมีคนปีนขึ้นไปชั้นสองเราก็จะรู้สึกว่าเตียงมันเหี่ยงเบี้ยวคะ่ะรู้สึกว่ามีคนขึ้นไปนอนอพี่ส้มก็ลืมตากะจะคุยกับเพื่อนอแต่แบบในความมือดอ่ะมันมีแสงสลัวๆค่ะ ม, มันมีเส้นผมค่อยๆเลื้อยลงมาจากเตียงชั้นสองคอืคะอลงมาจนกระทั่งโดนโดนหน้าพี่ส้ ม, มพี่ส้มก็เขาก็เพ่งมอง ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมเปียกเียกค่ะผมยาวชั้งโงกหน้าลงมาใกล้มากๆแต่ผู้หญิงาหน้าขาวซีดแลน่ากลัวค่ะปล่อยผมลงมาแล้วฉีดยิ้ให้คือพี่่มไปขีดปั้นสกิบแต่ก็ิ้งออกนอกห้องไปเลยค่ะแล้วก็ไปไล่เข่าห้องอื่นๆที่ที่เขาบางคนก็เขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันเหมือนกันนะคะ กว่าจะเจอคนที่เขาก็แทบแย่เหมือนกันะคหลังจากนั้นนะคะเมททั้งสามคนเขากลับมาที่ทรงก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดก็ได้เก็บของย้ายออกไปจากห้องนั้นเลยแต่ว่ามันมีคนไปลองของคะ่ะพอรู้ว่าห้องนี้มีผีก็เลยเอาของไปเส้นไหว้ขอนั่นขอนี่ บางคนแบบขอให้ได้เกตเอก็ก็ได้จริงนะคะออืก็ต้องมาไหว้ซันไกเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยค่ะคส่วนหอในเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะนะคะของมหาวิทยาลัยนี้อะค่ะอแล้วประวัติความเป็นมารู้ไหมประวัติความเป็นมารู้ไหมรู้รู้ค่ะเพราะว่าหอเนี้ยมันมีเยอะมากมันไม่ค่อยมีใครรู้ประวัติอะค่ะเรื่องนี้เนี่ยตัวตัวของออยได้ยินได้ฟังมาจากไหน ตา้ฟังมาจากครูฝึกษอนเช่นกันค่ะครูเขาเล่าให้ฟังหลายเรื่องมากอืออนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของมหาวิทยาลัยนะครับรุงละหลอนนักศึกษาเขานอนอยู่แล้วมีสามพ่อแม่ลูกนั่งนั่งที่ขอบเตียงแล้วก็นั่งหันหลังให้เขาด้วยค่ะแต่ว่าเขาไม่เห็นหน้าส่วนเพื่อนที่นอนอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเห็นหน้าอย่างนี้ค่ะหน้าเมตติ เอือเออเออเอาเอาก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อต่อกันมาก็แล้วกันนะน้องออยนะได้น้องออยขอบคุณมากๆที่มาเริ่มต้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะขอบคุณครัขอบอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ที่ไปได้ยินได้ฟังมาขอบคุณมากๆแล้วครับผมครับสวัสดีค่ะจ้าอย่ามองไปฟังของคนอื่นต่อครับได้จ้า